ข้อความในทุติยะเสขาสูตรนะครับอิติวุตกะสูตรที่เจนะครับทุติยะเสขาสูตรว่าด้วยความมีมิตรดีเมื่อชาวนั้นกล่าวถึงเหตุภายในใช่ไหมครับนี่มาดูเหตุภายนอกบ้างจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหัน์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า ดูกานพิสูุนทั้งหลายเมื่อภิกษุผู้เป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาความกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่พิจารณาเห็นแม้เหตุอันหนึ่งอย่างอื่นกระทำเหตุที่มีณภายนอกว่ามีอุปการะมากเหมือนความมีมิตรดีนี้เลยดูกานพิสูน์ทั้งหลาย ภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีย่อมละอกุศลเสียได้ย่อมเจริญกุศลให้เกิดมีนะครับสุปธมเสขาสูตรนี้กล่าวถึงเหตุที่มีณภายในว่ามีอุปการะมากเลยนะครับที่จะเท่าโยนิโสมนัสการไม่มีเลยนะครับเพราะว่าภิกษุผู้มีโยนิโสมนัสการก็จะละอกุศลเสียได้แล้วก็ย่อมเจริญกุศลให้เกิดมีขึ้นนะครับ อันนี้ก็เอาปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกได้แก่การยานามิตรนะครับหรือความเป็นผู้มีมิตรดีนั่นเองนะครับอั น, นการยานามิตรโดยมากก็ต้องแปลว่าผู้มีมิตรดีะนะผู้มีมิตร ด, ดีถ้าหากว่าตัวเองดีอยู่แล้วถ้าคนเดียวก็ไม่เรียกว่ามิตรอะไรนะแต่มิตรนี้ก็ต้องใช้กับอีกคนที่มีคนคบคนแบบนั้นอจึงเรียกว่าผู้มีมิตรดีนะครับอันนี้คำว่าการยานมิตรก็หมายถึงว่าผู้ที่มีมิตรดีนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดผู้มีมิตร ด, ดีมีความยำเกรงมีความเคารพกระทาตามคำของมิตรดีทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะภิกษุนั้นพึงบรรลุธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ท้งปวงโดยลาดับนะครับ เนี่ยนะถ้าหากว่ามีมิตรดีนี่นะครับมีเพื่อนดีหรือไม่เราเองเนี่ยนะครับมีที่ยำเกรงมีที่เคารพแล้วก็ทําตามคําของมิตรดีนั้นๆเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก็สามารถที่จะเพิกปฏิบัติสามารถบรรลุมรรคผลได้พระพุทธเจ้านี่นะครับยังมีที่เคารพมีที่ยำเกรงนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะพิสุก็ต้องมีที่เคารพมีที่ยำเกรง <Okay. S 1> แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีที่เคารพมีที่ยำเกรงที่เคารพที่ยำเกรงของพระพุทธเจ้าคืออะไรครับพระธรรมครับคือพระธรรมนะครับพระโลกุตระธรรมหรือคําสอนที่เป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมเนี่ยนะครับเป็นต้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคพระองค์นิรงเคารพทรงยำเกรงพระธรรมนั้นนะครับทรงบูชาพระธรรมนั้น เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าภิกษุผู้มีมิตรดีนี่นะครับมีความเคารพมีความยำเกรงแล้วก็กระทำตามคำของมิตรดีทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วตัวเองก็มาประพฤติมีสติมีสัมปชัญญะภิกษุรูปนั้นก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ได้นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรู้จกักคุณธรรมของผู้ที่เป็นมิตรดีนะครับะนะซึ่งคน ท, ทั่วไปก็จะสมัคร ทำตัวเป็นกัญยาณมิตรกันหมดนะครับผมเนี่ยเป็นเพื่อนดีต่อท่านนะมผมขอเตือนท่านเป็นต้นเนี่ยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมอยากจะพาดูว่าองคุณของผู้ที่เรียกว่ากัญยาณมิตรเนี่ยขอบเขตแค่ไหนใครดูว่าเราคุ้นเคยกับใครเราก็เรียกคนนั้นเป็นกัญยาณามิตรหมดที่จริงเราคุ้นเคยกับใครนี่นะครับควรใช้คำว่าปิยมิตรนะครับ ไม่ควรใช้คําว่ากาลยานามิตรง่ายๆเพราะว่าผู้ที่เป็นกาลยานามิตรต้องมีคุณธรรมถ้าตามตรงนี้มีคุณธรรม8ประการนะครับนะแต่ถ้าหากว่าทั่วๆไปที่เรารู้จักกันโดยมากก็คือปิยมิตรนะชอบใครก็เรียกคนนั้นวนะ่าปิยมิตรเนี่ยนะคุ้นเคยกันอะไรกันไปแต่ถ้าหากว่าเป็นกาลยาณมิตรก็ผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าก็มาดูต่อไปนะครับบทว่าพาหิรังได้แก่เหตุที่มีณนภะายนอกจากสันดานในภายใน ก็คือท่านในอ่ะต่างจากนอกอ่ะท่านนอกอ่ะต่างจากในนั่นเองครับบทว่ากาลยานมิตรตาได้แก่บุคคลผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอ่าด้วยคุณมีศีลเป็นต้นนั่นเองนะครับเป็นผู้กําจัดความชั่วร้ายเป็นผู้ส่งเสริมประโยชน์นะส่งเสริมประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าถ้าตามคำสอนเราก็เน้นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเป็นมิตรมีอุปการะทุกสิ่งทุกอย่าง เชื่อว่ากาลยานามิตรนะครับคือหมายความว่าตัวของเขาเนี่ยนะเป็นมีคุณธรรมเพียรพร้อมบริบูรณ์เลยเสร็จแล้วผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนั้นเนี่ยนะครับมาส่งเสริมประโยชน์เรานะครับมาส่งเสริมประโยชน์เรานะแล้วก็มีอุปการะต่อเราทุกอย่างนะครับลักษณะนี้แหละคนนั้นแหละชื่อว่าเป็นกาลยานามิตรของเรานะครับความเป็นกาลยานามิตรนั้นชื่อว่ากาลยานามิตรต า, ตาก็เป็นภาวะเข้าไปเท่านั้นเอง ในบทว่ากาลยานามิตตานั้นมีอธิบายดังนี้ตามปกตินะครับกลยานามิตนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยนะครับนไัไเลย1ศรัทธานะครับเขาต้องมีคุณธรรมคือศรัทธา 2. มีคุณธรรมคือศีลสสุตะ 4. จาคะ5วิริยะ 6. สติ 7. สมาธิและ8 ป, ปัญญานะครับมีคุณธรรม8ประการนี้นะ ผู้ที่มีคุณธรรม8ประการนี้ชื่อว่าเป็นสามารถเป็นกัลยาณมิตรได้ทบทวนอีกครั้งคือศรัทธาศีลสุตะจารคาวิริยะสติสมาธิและปัญญ า, าจําอินทรีย์5ได้ก่อนนะครับผู้ที่ทรงอินทรีห้านะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะครับได้แล้ว5ใช่ไหมศีล ส, สุตะจารค้าอีก3ามคำก็เป็น8ดนะครับจำแค่นี้ก็ได้ครบ8แล้วนะครับ ศีล ส, สุตะจาระปัญญาบวกพระห้าคนที่มีคุณธรรมสมบูรณ์แบบนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรเป็นสา ม, มารถเป็นกัลยาณมิตรนะครับ อ, อ, อธิบายว่ากัลยาณมิตรนี่นะครับเพราะถึงพร้อมด้วยศรัทธาขอบเขตแค่ไหนครับจึงจะเรียกว่าผู้มีศรัทธาคือย่อมเชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคตเห็นไหมเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ศรัทธาคุณของพระตถาคตผู้เสด็จมาอย่างนั้นผู้เสด็จไปอย่างนั้นผู้เสด็จมาถึงสัจจะอันทองแท้เป็นต้นนี่นะครับผู้ผู้มีวาจาอันทองแท้เนี่ยนะก็คื อ, คอผู้ที่ทราบซึ้งในคุณของพระตถาคตมากนะครับมีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในคุณของพระตถาคตนะ น, ะนี่คือศรัทธาของเขาที่มีอยู่ในตัวของเขาและก็ย่อมไม่สละการสแสวงหาประโยชน์สุขในสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น เพราะเหตุแห่งการตรัสรู้ชอบนั้นน ะ, นะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบใช่ไหมครับตรัสรู้สัตว์จะทำทั้งหลายแล้วพระ อ, องค์ก็อาศัยเหตุที่พระ อ, องค์ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบนั่นนะครับมาสแสวงหาประโยชน์สุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่ที่เกิดขึ้นนะนะคุณธรรมของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรก็มีศรัทธาในพระตถาคตในลักษณะนี่นะ ถ้าจากพยัญชนะในอิติวุตกะนี่นะครับถ้าเพ่งตามพยัญชนะอะไรนะผมจะอธิบายตามแนวที่อาจารย์แปลนะครับครับว่าคําว่ากาลยานมิตรนี่นะครับเป็นผู้ที่มีศรัทธาถามว่าไอ้ขอบเขตของศรัทธาของกาลยานมิตรก่อนครับเขามีศรัทธาแค่ไหนนะจึงจะเรียกว่าบุคคลนั้นอ่ะมีศรัทธาอืคือเขามีตถาคตโพธิศรัทธานะครับสรุปนะโดยโดยตัวของเขาอ่ะนะ เสร็จแล้วเมื่อเขามีศรัทธาแบบนี้แล้วในขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้สแสวงหาประโยชน์สุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายในในลักษณะผู้มีศรัทธาเนี่ยนะสแสวงหาประโยชน์ให้สุขให้แก่สัตว์เนี่ยนะถามว่าสแสวงหาประโยชน์สุขเนี่ยนะเพื่ออะไรครับเพื่ออริยมรรควังนั้นเถอะสัมโพธิญาณเนี่ยนะครับสัมโพธิเนี่ยสัมมาสัมโพธิเนี่ยนะแปลว่าตรัสรู้โดยชอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับสแสวงหา การตรัสรูด้ดีตรัสรู้ชอบนั่นนะครับแต่ว่ามันเป็นคุณธรรมของกัลยาณมิตรครับผ ม, มนะว่ากัลยาณมิตรนั้นเขามีศรัทธาในพระตนะาตรายัยในขณะเดียวกันเขาก็สแสวงหาประโยชน์เกือกูลให้แกสัตว์ทั้งหลายนะอ๋อนี่หมายความว่าเขาไปช่วยเหลือได้แต่ในขอบเขตที่ว่ามันจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อต่อสัมมาสัมโพธิญาณหรือการที่จะ ตัสรู้บรรลุธรรมอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าโดยส่วนตัวของเขาผู้ที่กเรยานามิตรนะครับเขายังไงเสียเขาต้องรักษาคุณธรรมของเขาอยู่ตลอดนะครับแล้วในขณะเดียวกันเขาสแสวงหาประโยชน์เหล่านั้นอะเพื่อคนอื่นด้วยอ๋อครับลักษณะนี้นะครับมันมันมันจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนอย่างงี้ไหมที่เอ๊ะเราอยากจะทำทานเหลือเกินคิดจะไปเบยจากเลือดแต่หมอที่มาเจาะเลือดเราเป็นผู้หญิงนั่นเลยเงี้ย แล้วก็ลืมไปตั้งใจว่าคิดแต่จะให้ทานจะให้ทานแล้วก็ลืมเรื่องของศีลไปเลยซึ่งการไปถูกต้องเนื้อตัวของผู้หญิงนั้นก็เสี่ยงต่อศีลวิบัติครับก็เป็นได้นะครับหรืออีกในหนึ่งนี่นะครับพระภิกษุที่ยอมเสียศีลตัวเองเพื่อจะช่วยคนอื่นนะครับเคยได้ยินนะครั บ, รบเช่นพระบางรูป อยู่ในฝักไฟที่ได้ออกสายเผยแพร่นะครับแล้วก็หนักๆตัวเองก็วินไหนก็รักษาไม่ได้อย่างเช่นรับงานเทศหลายๆแห่งใช่ไหมครับครับทีนี้ความที่ตัวเองบุญไม่ค่อยมากนักเวลาจะเดินทางก็ซื้อตัวเองเป็นต้นเนี่ยนะครับจับจ่ายใช้สอยซื้อขายเองเป็นต้นเอาหมดเลยแต่ว่าตั้งจุดหมายเพื่อการเผยแพร่รถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเชื่อว่าไม่มีคุณของกัลยาณมิตรอะไรเลย คือไม่มีคุณธรรมของความเป็นกาลยาณมิตรอยู่ในตัวของเขาเลยครับแต่เขาคิดว่าเขาเนี่ยช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายนะครับขาดปัญญานะเนี่ยราคาศรัทธาศรัทธาก็ข้อแรกก็ตกไปแล้วใช่ไหมครับอ่าคือขาดคุณธรรมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบอืมทีนี้ถ้าหากว่าเรา ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบนั่นนะครับแล้วเราจะจะไปช่วยคนอื่นเขาอย่างไงคือเรามีศรัทธาแต่ไม่ปฏิบัติตามนี่นะครับเราจะไปช่วยคนอื่นเขาได้อย่างไงทีนี้มาดูคุณธรรมข้อต่อไปของผู้ที่ที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรนะครับคือไม่ใช่มีศรัทธาอย่างเดียวยังมีศีลด้วยนะครับคือถึงพร้อมด้วยศีล เพราะความที่กาลยานามิตรนี่นะครับเป็นผู้มีศีลนี่แหละจึงเป็นที่รักลักษณะอย่างหนึ่งของผู้มีศีลนะครับศีลเนี่ยกำจัดอกุศลมูลคือโทสะดังั้นคนมีศีลดีจะไม่มีโทสะนะครับถ้าคนมีศีลดีนะถ้าสมาธิดีเนี่ยจะไม่มีความป่าถนาหมายคาอว่าจะไม่มีตัณหาถ้าสมาธิดีนะถ้าปัญญาดีหรือภาวนาดีเนี่ยนะครับเขาจะกําจัดโมหะได้ เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนะครับโดยตรงของศีลแล้วกาจัดโทสะสมาธิกาจัดโลภะนะครับวิปัสนาหรือปัญญานั้นกาจัดโมหะนะถ้าโดยตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราเอาอะไรเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องวัดว่าผู้นั้นเป็นผู้มีศีลผู้มีศีลจะไม่ค่อยโกรธนะครับผู้มีศีลไม่โกรธนะถามว่าขณะที่ศีลเกิดจริงๆขณะนั้นยังไม่โกรธนะครับ เมื่อผู้ที่มีศีลอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีคุณธรรมคืออะโทสันี่นะครับความไม่โกรธเนี่ยจึงเป็นที่รักนะครับเป็นที่เคารพของเพื่อนพรหมจานทร์ทั้งหลายนะครับโอแต่ถ้าเป็นขี้โกรธขี้โมโหชุนเฉียวเป็นตัวเนี่ยใครจะไปชอบครับใครจะไปรักใครจะอยากอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะนะเพราะฉะนั้นคนมีศีลจริงๆแล้วก็คือคนที่ไม่ค่อยโกรธนะครับหรือไม่โกรธเนี่ยนะฮะจึงเป็นผู้น่ายกย่อง แล้วโดยคุณธรรมของท่านก็คอยตักเตือนตำหนิบาปคอยว่ากล่าวแล้วท่านก็เป็นผู้อดทนถ้อยคำในขณะเดียวกันคนอื่นก็แนะนำท่านได้ในขณะเดียวกันท่านก็หมั่นเพียรในการแนะนำคนอื่นนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วท่านเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่เคารพของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายแล้วก็ตัวท่านนั้นโดยทั่วๆไปแล้วเป็นผู้ที่น่ายกย่อง แล้วยังมีคุณธรรมคือคอยตักเตือนคอยตําหนิบาปคอยว่ากล่าวนะครับลักษณะนั้นนะคือผู้ที่มีศีลนะที่เรียกว่าคุณธรรมของกาลยาณมิตรสาหรับผู้มีศีลจะเป็นลักษณะนี้นะครับและต่อไปนะครับเพราะถึงพร้อมด้วยสุตตะจึงเป็นผู้กล่าวถ้อยคําที่ลึกซึ้งนะครับคือเมื่อท่านมีสุตตะมากนะครับท่านก็จะพูดอะไรที่ลึกซึ้งคำภีรภาพเนี่ยนะครับอะไรครับสิ่งที่เป็นคำภีรภาพคือ ขันทั้งหลเนี่ยนะครับเป็นของลึกซึ้งนะครับถามว่าขันทำไมจึงลึกซึ้งก็ขันเนี่ยยังแตกไปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วก็รูปอย่างเดียวก็ยังแตกไปเป็น น, นะครับภูตรูปและอุปาทายรูปแล้วในภูตรูปและอุปาทายรูปเป็นต้นนั้นอนะ่ะยังแตกตัวไปเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกจากละเอียดเลวประณตใกล้ไกลเป็นต้นเนี่ยนะครับเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะถ้านับกับจิตก็ได้ทั้งหมดเท่ากับจิตนั่นแหละครับ แล้วเวทนาเนี่ยนะโดยเกิดร่วมกับจิตก็89แล้วในทั้งหมดเหล่านั้นก็มาแตกประเภทเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวปณะเนใกล้ไก ล, กลอีกนะครับเหนไหมทั้นเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นก็โดยสภาวะก็ยังมีความแตกต่างกันไปอีกเขาสามารถกล่าวถ้อยคําที่ลึกซึ้งกล่าวถึงขันเหล่านี้ได้อย่างดีนะครับลักษณะนี้ว่าเออผู้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสุตะจริงๆเนื่องจากเขากล่าวถ้อยคําเหล่านี้ให้เรามีได้ยินได้ฟัง และก็เป็นผู้ที่กล่าวถ้อยคําที่ลึกซึ้งคืออิจตนะนะครับอิจตนะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะครับเพราะว่าคนที่สามารถกล่าวอิจตนะได้หมดก็คือมองเห็นความเป็นไปของสังสารทุกข์หรือสังสารวัฏได้อย่างตลอดสายนะครับแล้วก็กล่าวถ้อยคําที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสัต์จะนะครับเพราะว่าในขันและอิจตนะนี้เป็นอะไรครับเป็นทุกขสัตว์เหนไะตันหาที่เป็นเหตุของขันอิจตนะเหล่านั้นเป็น สมุทัยสัตว์นะครับความไม่เป็นไปของขันอายตนะพร้อมทั้งสมุ ท, ทยัยนั้นเป็นนิโรธสัตว์นะครับข้อปฏิบัติที่กําหนดรู้ขันอายตนะกําจัดโลภะทํำนิโรธให้แจ้งนั้นเป็นสายมรคสัตว์นะครับแล้วก็คือสามารถมากล่าวถ้อยคําเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็กล่าวปฏิจจสมุป บ, บาทปฏิจจสมุปปณธรรมหมายถึงกล่าวปัจจัยและผลของปัจจยัยกล่าวเหตุกล่าวผลที่สัมพันธ์กันเป็นระบบเนี่ยนะครับ ตามหลักของสังสารวัตทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ประมวลสิ่งเหล่านี้สงเคราะห์ อ, อย่างลงอริยศาสตร์ได้เลยนะลักษณะนี้จึงเรียกว่าผููถึงพร้อมด้วยสุตะนะครับก็คือมีปกติกล่าวถ้อยคําทั้งหลายเหล่านี้ให้เราได้ยินได้ฟังนะอันนี้ก็คือองค์คุณอย่างหนึ่งของผู้ที่เกณฑ์กัลยาณมิตรนะครับอ่าเพราะถึงพร้อมด้วยจาคะจึงเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยนะครับเป็นคนที่ไม่มากมากว่างั้นเถอะ เป็นผู้สันโดษนะผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรเนีย่ยจะสันโดษสันโดษสิบสองอ่ะนะแล้วก็จะมีความสงัดหมายคำว่าวิเวกกันนะแล้วก็ไม่คลุกคลีคําว่าไม่คลุกคลีก็คือไม่สังสักขะนะครับซึ่งจะได้กล่าวต่อไปอีกเพราะฉะนั้นมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยู่ในคาถาวัตถุสิบนะครับซึ่งซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้านะครับ น, นะตัวท่านนั้นอะ่ะมีคุณธรรมอันนี้ด้วยนะครับ คือมีคุณธรรมคือมักน้อยนะมักน้อยในปริยัติเป็นต้นอ่ะนะสองเป็นผู้สันโดษในจีวรเป็นต้นแล้วก็กายวิเวกยินดีในการยัวิเวกเป็นต้นอ่ะ น, นะไม่คลุกคลีด้วยการเห็นเป็นต้นนะครับซึ่งการคลุกคลีก็มีรายละเอียดต่อไปอันท่านมีคุณธรรมเหล่านั้นเรียกว่าถึงพร้อมด้วยจาระเพราะถึงพร้อมด้วยวิริยะจึงเป็นผู้เพียรพยายามในการปฏิบัติประโยชน์แก่ตนและคนอื่น นะครับเพียรที่จะร่ําเรียนด้วยตัวเองประพฤติปฏิบัติตามคําสอนด้วยตัวเองแล้วในขณะเดียวกันก็ยัง ป, ปฏิบัติประโยชน์แก่คนอื่นด้วยนะครับนี่เรียกว่าท่านมีความเพียรคุณธรรมข้อที่6ของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรคือเพราะถึงพร้อมด้วยสติจึงเป็นผู้มีสติมั่นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรอบคอบคือสติอย่างเยี่ยมเป็นผู้ระลึกได้จําได้แม้สิ่งที่ทําแม้คําที่พูด นานมาแล้วนะครับไม่ใช่คนหลงหลมลืมลื ม, ลมไม่ใช่คนปั๊ม hm ปั๊ม hm เปอเปอรว่างั้นเถอะเป็นคนเนี่ยอรอบคอบว่างั้นนะนะมีสติมั่นจําแม่นอะไรแม่นเนี่ยนะครับสามารถทบทวนเหตุการณ์เทียบเคียงวินิจฉัยได้หมดเลยนะลักษณะนั้นนะผู้สมบูรณ์ด้วยสติก็เอาตัวอย่างของพระอา น, นุ์นะครับแล้วก็เพราะถึงพร้อมด้วยสมาธิ <c oughs> จึงเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านเป็นผู้มั่นคงมีจิตแน่วแน่นะครับ มีจิตใจมั่นคงนะครับแล้วก็สุดท้ายและเพราะถึงพร้อมด้วยปัญญาจึงย่อมรู้สิ่งที่ไม่วิปริตนะครับก็คื อ, คอรู้ความจริงทั้งหลายนั่นเองนะครับตะรยานามิตรนั้นสแสวงหาคติธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยสตินะครับคือหมายควาว่ารู้เลยนะครับว่ากุศลเนี่ยมีคติอย่างไร หมายความว่ามีผลอย่างไรนั่นมีที่ไปอย่างไรอากุศล เ, เป็นอย่างไรมีที่ไปเป็นอย่างไรเนี่ยนะกาลยานมิเนสแวงหาให้ควรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอนิกิจของสติของท่านรู้ประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยปัญญานะรู้ว่าอะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งในโลกนี้เป็นไปเพื่อสุขในโลกหน้าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่างยิ่งอะไรเป็นประโยชน์ตนอะไรเป็น ประโยชน์ท่านอะไรเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ก็มองออกไคควรด้วยปัญญาทั้งหมดนะเป็นผู้มีจิตไม่ฟุ้งซ่านในอารมณ์นั้นด้วยสมาธิฟังนั้นเถอะมีใจปักในอารมณ์นั้นปักก็ไม่ใช่หลับในเจออารมณ์นั้นก็หลับสนิทไปเลยไม่ใช่นะครับคือไคควณในอารมณ์นั้นด้วยอนุภาพของสติและปัญญาไม่ฟุ้งซ่านะนะครับไม่แผ่ซ่านไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ ปรามสัตว์ทั้งหลายจากสิ่งไม่เป็นประโยชน์ด้วยความเพียรย่อมชักชวนในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวนะครับอะไรที่มีโทษก็ห้ามคนอื่นเขาในขณะเดียวกันก็ชักชวนให้เป็นไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าปิโยคาุภาวนิโยวตาจวจนะขโมคคำพีรัญจะกระทั่งกตาโนจัท่นนิโยเย กลาลยานมิตรนั้นเป็นผู้น่ารักน่าเคารพน่ายกย่องเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนอดทนถ้อยคํากล่าวถ้อยคําลึกซึง้งไม่ชักชวนในทางที่ไม่ใช่ฐานะนะครับถ้ากลาลยาณมิตรจริงๆเนี่ยจะไม่ชวนในทางผิดว่างั้นเถอะนะครับเช่นไม่ชวนเดราชานกะถานะครับผมเนี่ยบ่อยเลยไอ้บ่อยนี่ไม่ใช่นี่นะชวนเดราชานกะถาบ่อยก็ขณะนั้นไม่ใช่นะครับนัน เขาต้องเป็นผู้ที่น่ารักน่าเคารพน่ายกย่องนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนแนะนำเป็นผู้ที่มีขันตินะครับมีความอดทนแล้วก็กล่าวถ้อยคำก็ที่ลึกซึ้งนะนะคือกล่าวถึงขันธาราิยตนะเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ไม่ชักชวนในทางเสียหายเย่างนั้นเถอดดูความพิสูจ์ทั้งหลายพิสูุผู้มีกลยาณมิตรย่อมละอกุศล ย่อมเจริญกุศลเพราะเหตุนั้นบุคคลผู้มีกัลยาณมิตรเนี่ยนะครับอาศัยภิกษุผู้เป็นกัลยาณมิตรยังกรรมมัสการยานให้เกิดนะครับคืออาศัยกัลยาณมิตรก็จะรู้ว่าอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมกรรมของเฉพาะตัวเนี่ยนะครับย่อมทําศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วให้คงที่นะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าศรัทธานี้มี2 อ, อย่างใช่ไหมครับคือโลภิยศรัทธากับ โลกุตราสัทธาโลกุตระสัทธานั้นมีนิพานเป็นอารมณ์ส่วนโลกิยะสัทธาก็ยังมาแบ่งเป็นกรรมมสกตาสัทธานอย่างหนึ่งตถาคตโพธิสัทธาอย่างนี้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้เป็นผู้อาศัยกัลยาณมิตรนี่นั่นนะครับสัทธาที่ยังไม่เกิดก็กเกิดขึ้นสัทธาที่เกิดขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นนะครับเกิดสัทธาแล้วก็เข้าไปหาครั้นเข้าไปหาแล้วก็ย่อม ฟังธรรมครั้นฟังธรรมนั้นแล้วก็ย่อมได้ศรัทธานในพระตถาคตด้วยการได้ศรัทธานั้นจึงละการอยู่ครองเรือนออกบวชแล้วก็ทําปาริสุททิศีนทั้งสีนเนี่ยนะครับให้ถึงพร้อมหมายความว่าตรักษาปาติโมกขสังวนอินทรียสังวนปัจจะยา ส, าสันนิสิตศีนแล้วก็อาชีวปาริสุททิศีลให้ถึงพร้อมบริบูรณ์นะครับแล้วก็สมาทานทุตธรรมคือธรรมะอันกําจัดกิเลสนะครับ เป็นเครื่องขัดเกลานะฮะเป็นไปตามกำลังทุดงนี้ตามกำลังนะครับหมายความว่าถ้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ม, มากก็ประพฤติปฏิบัติได้มากและก็กัลยาณมิตก็เป็นผู้ได้กระถาวัตถุ1 0บนะครับหมายความว่าจะได้ยินได้ฟังเป็นต้นนะนะเป็นผู้ปรารกความเพียรอยู่เข้าไปตั้งสติไว้มีสัมปชัญญะเจริญโพธิปักขียธรรมตลอดคืนยังรุ่งนะครับ ในไม่ช้าทำวิปัสนาให้ตัดขาดอากุศลทั้งหมดด้วยการบรรลุอริยมรรคและยังกุศลรธรรมทั้งปวงให้เจริญถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนานะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับว่าถ้าอาศัยกา ร, รยานมิตรนะครับมิตรผู้มีคุณธรรมทั้งแปดประการอย่างที่กล่าวไปแล้วใช่ครับคือศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยนะครับ พอได้มีกัลยาณมิตรแบบนั้นเราก็จะมีศรัทธานในตัวท่านนะครับเพราะว่าท่านไม่ชักชวนเราในทางเสียอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปหาท่านไปใกล้ท่านเราก็ได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมก็มีตถาคตโพธิศัทธาลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าเจริญงอกงามในธรรมจริงๆนะอยู่ที่ไหนก็ช่างนะครับข้อความตรงนี้ก็เป็นเกณฑ์ตัดสินเหมือนกันเป็นเครื่องวัดนะว่าเจริญขึ้นไหม เช่นแต่าคดโพที่ัทธาเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่านะครับลองเทียบเทียบดูนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยนะครับเห็นโทษของการอยู่ครองเรือนมากขึ้นไหมจากตุปปริสุทธิ์ศีลเนี่ยบริบูรณ์มากขึ้นไหมนะครับเห็นคุณของทุดงมากขึ้นไหมแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ได้กถาวัตถุสิบนะครับคือหมายความว่าพูดถึงเรื่องความมากน้อยเรื่องความสันโดษบ่อยขึ้นะนะจากเมื่อก่อนไม่เคยเห็นคุณค่าของคถาวัตถุ10บเลย ตอนหลังก็เห็ <c oughs> เหนคุณค่าของความมักน้อยความสันโดษการไม่คลุกคลีการปารบความเพียรเห็นคุณของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมากขึ้นเนี่ยแสดงว่ากระทวัตถุสิอันนี้เราได้แล้วแล้วก็เป็นผู้ปรารบความเพียรเนี่ยนะครับเช่นโดยการเดิ น, เด น, เดนจงกรมเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มีสติเข้าไปตั้งสติไว้มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะ4นะครับสาตกะสัมปชัญญะส ป, ปายะสัมปชัญญะอสมมาสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยนะครับ โจรสามประชัญยะเนี่ยมากขึ้นดีขึ้นแล้วก็ฝักฝ่ายในการเจริญโพธิปักขยธรรมมากขึ้นแล้วก็ทวิปัสนาดําเนินแล้วก็ตัดอะกุศลได้แล้วก็บรุอริยมัตนะครับอันนี้นี่แสดงว่าครบกัลยาณมิตรถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องทบทวนแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะผู้ที่เราเกี่ยวข้องนี่เอ๊มิตรแทหรือมิตรเทียมกันแน่นะครับ ก็ต้องมาวินิจฉัยแล้วก็เอาคุณธรรมทั้งแปประการนี้ไปวัดดูนะครับถ้าวัดไม่ถูกเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นพานและบัณฑิตนะครับถ้าไม่รู้ว่าพานและบัณฑิตจะเลือกครบถูกหรือเป็นต้นนะครับมงคลข้อตนตนก็าขาดแล้วแล้วข้อความในอัตถกถายังยกข้อความในเมคียาสูตรขึ้นมานะครับ